ไม่ได้หมายความว่าเป็นวันพระความมงคล น, นี้เกิดขึ้นจากการกระทำที่เป็นมงคลถ้าไปกระทำในสิ่งที่ไม่เป็นมงคลก็จะไม่เป็นมงคลเช่นถ้าไปดื่มสุรายาเมาไปเล่นการพนันไปรักทรัพย์ไปทำผิดศีลผิดธรรม อันนี้ก็ไม่เป็นมงคลถึงแม้จะเป็นวันพระเป็นวันมงคลแต่ถ้าไม่มีการกระทาที่เป็นมงคลวันพระก็จะไม่เป็นมงคลแต่อย่างใดการที่เราเรียกว่าวันนี้เป็นวันวันมงคลเพราะว่าวันนี้มีการกระทาที่เป็นมงคลนั่นเองเช่นวันนี้ จะมีการบูชาบุคคลที่สมควรต่อการบูชาซึ่งเป็นมงคลอย่างยิ่งในพระสูตรท่านแสดงไว้ว่าบูปูชาจะปูชนีอนังเอตัมมังคามุตตะมังการบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่ง คำว่ามงคลก็แปลว่าความเจริญความสุขความเจริญของจิตใจมไม่ได้หมายถึงความสุขความเจริญของทางร่างกายหรือของทางราบยศจะะเสริญสุขแต่อย่างใด ม, มงคล น, นี้หมายถึงความสุขความเจริญของจิตใจจิตใจจะมีความสุขมากขึ้นจิตใจจะเจริญสูงขึ้น จากมนุษย์ก็ได้ไปเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลตามลำดับต่อไปถ้ามีการกระทำที่เป็นมงคลเช่นการบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาบุคคลที่สมควรต่อการบูชาอย่างยิ่งก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นบุคคลที่ มีคุณมีประโยชน์ต่อผู้ที่ได้เข้าหาได้เข้าพบเพราะจะได้เรียนรู้วิชาอันเลิศอันประเสริฐที่ไม่มีที่ไหนสามารถจะสอนได้นั่นก็คือวิชาวิมุตตินิพพานการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไม่มีสถาบันการศึกษาที่ไหนในโลกนี้ ที่จะสามารถสอนให้ผู้ที่ไปศึกษาไปปฏิบัติได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายได้เลยมีแต่พระพุทธศาสนามีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่สามารถสอนให้ผู้ที่ไปศึกษาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ การบูชาบุคคลทั้งสามนี้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะถ้าได้บูชาตามที่ได้มีการสอนในการแสดงไว้แล้วผู้ที่ได้ทำการบูชาก็จะได้รับประโยชน์จากการบูชาของตนคือได้หลุดพ้นจากความทุกข์สองระดับด้วยกัน เพราะว่าการบูชาในพระพุทธศาสนานี้มีอยู่สองขั้นสองระดับระดับแรกนี้เราเรียกว่าอามิสบูชาคือการบูชาด้วยข้าวของเงินทองเครื่องสักการะต่างๆและขั้นที่สองการบูชาด้วยการปฏิบัติบูบชาคือการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า โดยเฉพาะการปฏิบัติจิตตภาวนาซักฟองจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะจิตใจที่ทุกข์จิตใจที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองทุกนี้เกิดจากความสกปรกของกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองที่คอยสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจอยู่ตลอดเวลาถ้าอยากจะให้จิตใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย ก็จำเป็นที่จะต้องซักพ่อจิตใจชํารละกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาที่สร้างความทุกข์ให้กับใจให้หมดสิ้นไปนี่คือเรียกว่าปฏิบัติบูบชาการปฏิบัติจึงเริ่มต้นที่การปฏิบัติขั้นแรกก่อนคืออามิสบูชาเพรอการบูชาด้วยอามิสบูชานี้ เป็นวิธีที่ง่ายว่าวิธีที่สองคือปฏิบัติบูชาและจะเป็นการพาให้เข้าสู่การปฏิบัติบูชาได้ตามลำดับต่อไปเหมือนกับการศึกษาการเรียนหนังสือก็จำเป็นจะต้องเริ่มต้นที่ขั้นป .1 ก่อนแล้วค่อยขยับขึ้นสู่ขั้นป .2 ออตามลำดับต่อไป ในการบูชาในพระพุทธศาสนาก็มีแบ่งไว้เป็นสองขั้นตอนด้วยกันขั้นแรกเป็นขั้นที่ง่ายขั้นที่สองเป็นขั้นที่ยากก่อนที่จะไปขั้นที่สองได้ก็ต้องทำขั้นที่หนึ่งให้ได้ก่อนเมื่อทาขั้นที่หนึ่งได้แล้วก็จะมีกำลังมีความสามารถที่จะไปทำขั้นที่สองต่อไปได้นั่นเอง อยงนั้นขั้นขั้นที่หนึ่งก็ก็มาศึกษาว่าขั้นที่หนึ่งนี้เป็นอะไรก่อนขั้นที่หนึ่งนี้เราเรียกว่าอามิสสบูชาอามิสก็คือหมายถึงข้าวของเงินทองต่างๆที่เราใช้ทํานุบำรุงพระพุทธศาสนานี่เองแล้วก็เครื่องสักการะเช่นดอกไม้ทูบเทียนเป็นต้นเหล่านี้เรียกว่าอามิสสบูชา เวลาเรามาวัดเราก็มักจะมีทูปเทียนดอกไม้มากราบสักการะพระพุทธรูปกราบสักการะพระสงฆ์องค์เจ้าที่บำเพ็ญอยู่ในวัดแล้วเราก็จะมีการถวายจตุปัจจัยทายาทานคือเครื่องสัมมณะบริโภคคือเครื่องที่จาเป็นต่อการครองชีพของสัมมณะก็คืออาหารบิณฑบาต จีวนเครื่องนุ่งหม่มกุฏิที่ว่าใสาและยารักษาโรคอันนี้เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าอามิสเป็นเครื่องใช้ไม้สอยเป็นวเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการครองชีพของพระภิกษุผู้ที่มาศึกษามาติมาปฏิบัติเพื่อที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ได้บรรลุเป็นผ้าเลียะบุคคลตามลําดับต่อไปและหลังจากที่ได้บรรลุเป็นผ้าเรี้ยะบุคคลแล้ว <fect? S 1> <c oughs> ก็จะสามารถทําหน้าที่เผยแผ่พระธรรมคําสอนนันประเสริฐให้กับศรัทธาญาติโยมผู้ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ศึกษาได้ปฏิบัติและได้หลุดพ้นตามลําดับต่อไปนั่นเองอันนั่นสิ่งที่ จำเป็นต่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในขั้นต้นก็คือการทำนุบำรุงด้วยอามิสบูชาด้วยเข้าวของเงินทองที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของสมัญนเพศเขานักบวชเช่นเราสร้างวัดกันเพื่อให้มีสถานที่ให้พระภิกษุได้อยู่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมและผู้ที่สนใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติธรรม ที่ยังไม่ได้เป็นนักบวชก็สามารถเข้ามาศึกษามาปฏิบัติธรรมได้ชั่วครั้งชั่วคราวไปก่อนจนกว่าจะมีกําลังมากขึ้นในเวลามากขึ้นก็อาจจะต่อไปก็จะมามาอยู่วัดเป็นประจําก็ได้เป็นนักบวชกันเราจึงมีการสร้างวัดวารามต่างๆเบอร์จากเงินบอร์จากเงินทองซื้อสถานที่ซื้อที่ดินแล้วก็ซื้อสิ่ง วัสดุก่อสร้างต่างๆที่มาที่จะต้องมาสร้างที่อยู่อาศัยและที่ใช้สอยคือศาลาไว้สําหรับมีการประชุมกันเวลาที่มีกิจที่จะต้องทําร่วมกันเราก็จะมีศาลาไว้ให้เป็นที่กระทําการถวายเงินทองเพื่อสร้างสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าอามิสบูชาือสร้างถาวรและวัตถุ สร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างวิหารสร้างคุติสร้างศาลาอะไรเป็นต้นเหล่านี้<ส>การบริจาคเงินทองบริจาคสินของต่างๆเพื่อประโยชน์ของพระพุทธศาสนานี้เราเรียกว่าเป็นการกระทํา<ส>อามิสบูชา<ส>เป็นการบูชาขั้นที่หนึ่งขั้นแรกของของพระพุทธศาสนาน เพราะว่าเป็นสิ่งที่ง่ายที่ทุกคนที่มีกำลังทรัพย์สามารถที่จะกระทำได้แล้วก็ไม่จาเป็นว่าจะต้องมีกำลังทรัพย์มากมายมีมากมีน้อยก็สามารถทำอามิสบูชาได้แม้แต่ข้าแม้แต่เข้าวหนึ่งทัพีใส่บาทพระก็ถือว่าได้กระทำการอามิสสบูชาแล้วอา น, นิสงส์ก็ ก็ย่อมมีมากน้อยต่างกันไปถ้าทำมากอา น, นิสงส์ก็จะได้มากถ้าทำน้อยอา น, นิสงส์ก็จะได้น้อยอา น, นิสงส์ก็คือปัจจุบันใจก็จะมีความสุขเวลาที่ได้ทาบุญทาทานได้ใส่บาตได้เสียสละแบ่งปันรับสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆให้กับพระพุทธศาสนาใจก็จะมีความอิ่มเอิบใจสุขใจ ความมีเมตตใจสุขใจนี้ยังไม่ได้หายไปยังอยู่ในใจไปเรื่อยๆน่าจะส่งผลขึ้นอีกครั้งก็เมื่อถึงเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเวลาร่างกายตายไปใจที่มีมีทานมีบุญที่กมีบุญที่เกิดจากการทำทานต่างๆก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะส่งให้ใจ ได้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆซึ่งมีอยู่หกชั้นด้วยกันที่เราเรียกว่าสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ที่เกิดจากการทําบุญทําทานทําการอามิสบูชาต่างๆนี่นี่คืออนิสงส์ประโยชน์ที่จะได้รับจากการกระทาอามิสบูชาในขณะที่เราทําในปัจจุบันที่เรายังมีชีวิตอยู่ ใจเราก็จะมีความสุขมีความอิ่มเอมิใจและหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วบุญที่เราได้ทานี้ก็จะพาเราไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆแล้วหลังจากที่เราได้กลับมาเกิดใหม่เราก็จะได้มาเกิดเป็นเป็นคนที่มีฐานะมั่งคงมั่งคั่ ง, งมีฐานะการเงินก า, การเงินดี อยู่ดีกินดีสุขสบายมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามมีผิวพรรณผ่องใสมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวนานเป็นต้นนี่คืออนิสงส์ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการทำ อ, อามิ ส, สบูชาคือการทำบุญทำทานด้วยข้าวของเงินทองต่างๆแต่จะต้องมีข้อแม้อยู่ข้อหนึ่งว่า จะต้องทําบุญให้มากกว่าการทําบาปเพราะว่าถ้าทําบุญควบคู่ไปกับการทําบาปถ้าบาปมีมากกว่าบุญบาปก็จะส่งผลก่อนก็จะทําให้บุญที่ได้ทํานี้ยังไม่สามารถส่งผลได้เช่นถ้าเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้าบาปที่ทําไว้มีมากกว่าบุญที่ได้ทําไว้บาปก็จะเป็นผู้ ดึงใจให้ไปสู่ที่ต่ำไปสู่อาบายทั้งสี่สถานด้วยกันก็คือไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือไปเป็นดวงวิญญาณที่หูโหอยเรียกว่าเปรตเป็นดวงวิญญาณที่หวาดกลัวเรียกว่าสุลกายเป็นดวงวิญญาณที่มีความมาฆ่าพยาบาทเทียดแค้นเรียกว่านรกดังนั้นนอกจากการทำบุญทำทานแล้ว ก็จําเป็นที่จะต้องมีการรักษาศีลด้วยคือละเว้นจากการกระทําบาปที่เป็นเหตุที่จะดึงให้ใจต้องไปเกิดในที่ไม่มีใครปรารถนาจะไปเกิดกันก็คือในอบายทั้งสีที่นี้ดังนั้นการกระทำอมิสบูชาจึงมักทําควบคู่ไปกับการรักษาศีน่าเวลาสังเกตดูเวลาที่เราไปทําบุญทําทานเวลามีพิธีถวายของต่ตตางๆนี้ ก่อนที่เราจะถวายของกันก็จะมีการสมาทานศีลห้ากันก่อนเพื่อให้เราละเว้นจากการกระทาบาปเพื่อให้บุญที่เราทํานี้ได้มีโอกาสได้ส่งผลเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้าเราไม่ได้สมาทานศีลไม่รักษาศีลยังทําบาปอยู่ ถ้าสัตว์ตัดชีวิตรักทรัพย์ประพฤติิดในการ <c oughs> พูดปดรดื่มสุรายาเมาของมุนเมาต่างๆถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญบุญที่เราทำนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะสงผลได้ยังไม่หายไปไหนเพยงแต่ถูกบาปที่มีกำลังมากกว่าดึงใจให้ไปรับผลของบาปก่อนจนกว่าบาปนี้จะน้อยกว่าบุญบุญมากกว่าบาปเมื่อไหร่ ถึงจะได้ไปรับผลของบุญต่อไปได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยเพื่อความมั่นใจว่าหลังจากที่เราตายไปแล้วเราจะได้ไปสู่สุคตินอกจากการทําบุญอย่างสม่ําเสมอแล้วเราก็ต้องรักษาศีลให้ได้อย่างสม่ําเสมอด้วยกันไปด้วย mm hmm. นี่คือการกระทําที่เรียกว่าอามิสบูชาอา น, นิสงก็คือจะทําให้เราได้เวียนว่ายตายเกิดใน สุคติคือจะไม่ไปเกิดในอบายะจะไปเกิดเป็นเทพไปอยู่สวรรค์ชั้นต่างๆแล้วพอบุญที่ได้ทําไว้ได้หมดกําลังลงก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินสมบัติข้าวของเงินทองมีเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างกายสวยงามผิวพรรณทองใสมีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่มีโรคไข้ไข้เจ็บเบียดเบียนมีอายุยืนยาวนานเป็นต้นนี่คืออา น, นิสงส์ที่เกิดจากการได้กระทำอามิสบูชา mm hmm. ถ้าอยากจะได้อา น, นิสงส์ที่สูงกว่านี้ที่มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อจิตใจมากกว่านี้คือถ้าอยากที่จะไปเกิดในสวรรค์ที่สูงกว่าชั้นชั้นเทพคือสวรรค์ชั้นพรหมและสวรรค์ชั้นพระอริยเจ้า และไปถึงพระนิพพานคือสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากกองทุกข์อย่างสมบูรณ์ก็จําเป็นที่จะต้องทําการบูชาขั้นที่สองขั้นที่ยากกว่าก็เรียกคือที่เรียกว่าขั้นปฏิบัติบูบชาการที่จะทําการปฏิบัติบูบชาได้เราจําเป็นที่จะต้องมีการรักษาศีลเพิ่มจากศีลห้าไปเป็นศีลแป เพราะว่าเราจาเป็นที่จะต้องควบคุมใจของเราไม่ให้ไปเสพความสุขทางกามคคณทั้งห้าคือทางรูปเสียงกลิ่นรสผุดทพะเพราะถ้าเราไม่ห้ามการเสบรูปเสียงกลิ่นรสผุดทพะใจก็จะคอยไปหาความสุขจากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสผุดพะอยู่เรื่อย ถ้าไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็จะไม่มีเวลาที่จะมาสร้างธรรมคือสติสร้างปัญญาที่จะทำให้จิตใจได้จเจริญขึ้นสู่สวรรค์ชั้นพรมสวรรค์ชั้นพระอริยบุคคลและขั้นพันนิพพานตามลำดับต่อไปได้ดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะกระทำการปฏิบัติบูชาจึงจาเป็นที่จะต้องรักษาศีลแปดในเบื้องต้น ละเว้นการหาความสุขจากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสผโภพภะต่างๆเช่นสีลข้อสามในสินห้าคือกาเมสุมิชาจารานี่ก็จะต้องเปลี่ยนเป็นอ布拉มจาริยาเวรมณีสินห้านี้ยังอนุ ญ, ญาตให้ผู้ที่มีคู่ครองได้ร่วมหลับนอนกันได้หาความสุขจากกันและกันได้แต่ถ้าถือสินแปแล้วก็ต้องระ ง, งับกิจกรรม น, นี้ไป คือจะต้องอยู่แบบพรห ม, มจรรย์คือไม่เสพไม่ร่วมหลับนอนกับใครทั้งสิ้น mm hmm. เพื่อที่จะได้เอาเวลาที่ไปใช้ในการร่วมหลับนอนนี้มาให้กับการเจริญทำขั้นสูงคือขั้นสติขั้นสมาธิหรือขั้นปัญญาตามลำดับต่อไป mm hmm. นี่คือศียของของนักนักบวชศสียของผู้ที่กระทำการปฏิบัติบูบชา mm hmm. เปลข้อศีลข้อสมนี้เป็นอ布拉มจริยาแล้วก็เพิ่มศีลข้อหไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานอาหารตามความอยากให้รับประทานอาหารเพื่อเลี้ยงดูร่างกายได้ซึ่งก็ไม่ควรเกินเวลาเที่ยงวันไปแล้วเพราะว่าร่างกายนี้รับประทานครั้งสองครั้งนี้ก็พอเพียงต่อการดำรงชีพแล้วจะทําให้ร่างกายอยู่ได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่ถึงแก่ความตายอย่างแน่นอนก็ให้กินแค่เที่ยงวันหรือถ้ามีถ้าปฏิบัติเค้่งคัดมากขึ้นก็อาจจะกินเพียงมื้อเดียวครั้งเดียวกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินเอาเวลาที่มาใช้ให้กับการกิน3ามสี่มื้อนี้มาให้กับกา ร, การปฏิบัติธรรมให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิกับการเจริญปัญญา ถ้าเราไม่มีมาตรการคอยควบคุมใจเรื่องของการเสพการมคุณหใจก็จะดินไปหาความสุขจากการรับประทานการดื่มเครื่องดื่มต่างๆทั้งวันทั้งคืนเราก็จะทำให้ไม่มีกระจิตกระใจไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติทําได้นั่นเองนี่คือหน้าที่ของศีลข้อที่หคือไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วแล้วหน้าที่ของศีลข้อที่เจดก็คือ ไม่ให้หาความสุขจากหมหรสศพบันเทิงต่างๆไม่ดูหนังฟังเพลงไม่หาความสุขจากการไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ให้หาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าอภาร์ที่วิจิตรพิสดารด้วยเครื่องเครื่องเครื่องเสริมสวยต่างๆเช่นน้ำมันน้ำหอมเป็นต้นกิจกรรมเหล่านี้เป็นความสุขชั่วคราว เป็นความสุขที่ไม่สามารถกำจัดความทุกข์ให้หมดสิ้นไปจากใจได้ต้องเปลี่ยนวิธีกำจัดความทุกข์ด้วยการเจริญสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบอันนี้จะเป็นวิธีที่จะทำให้ใจสามารถกำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้แล้วก็สือสีข้อที่8ก็คือไม่นอนมากเกินไป วิทีไม่นอนมากเกินไปก็คือไม่นอนบนที่นอนที่สำราญที่สุขที่สบายมีฟูกานาๆเพราะว่าถ้านอนในที่สุขที่สบายเวลาที่นอนล้กตื่นขึ้นมาจะไม่อยากจะลุกอยากจะนอนต่อเพราะมันสุขจะมันมันสุขมันสบายก็จะนอนมากเกินกว่าความต้องการของร่างกายปกติร่างกายวันหนึ่งคืนหนึ่งนี้ถ้าได้พักผ่อนประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงก็จะพอเพียง ได้หลับนอนสี่ห้าชั่วโมงก็พอเพียงพอตื่นขึ้นมาแล้วถ้านอนบนถ้านอนบนฟูกหนาๆนที่สุขที่สบายใจก็ยังจะอยากจะนอนต่อก็อาจจะนอนต่ออีกสองสามชั่วโมงแต่ถ้ามีมาตรการป้องกันไม่ให้นอนต่อก็คือนอนบนที่นอนที่มีพื้นแข็งๆที่นอนกับพื้นปู ด, ด้วยผ้าปู ด, ด้วยเสือ่อเวลาร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนพอแล้ว พอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะลุกก็จะได้ลุกขึ้นมาปฏิบัติธรรมมาจเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาตามลำดับต่อไปนี่คือมาตรการของผู้ที่ต้องการจะทำกระทำะปฏิบัติบูชาต้องต้องถือศีลแปดเป็นเบื้องต้นเพื่อที่จะได้มีมีเวลาให้กับการมา จเจริญสัมมาทัวนาและวิปัสสนาภาวนาตามลําดับเบื้องต้นก็ให้จเจริญส ม, มาถภ า, าวนาก่อนคือการทําใจให้นิ่งให้สงบด้วยการจเจริญสติทั้งวันทั้งคืนตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้ามีสติคอยควบคุมใจผูกใจไว้กับอารมณ์ของกรรมฐานอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นกระคำบริกรรมพุทโธพุทโธ หรือการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทาต่างๆของร่างกายใจก็จะไม่สามารถไปคิดเลื่อยเปื่อยได้ก็จะสามารถควบคุมความคิดให้ความคิดนี้น้อยลงเมื่อความคิดน้อยลงความทุกข์ี่ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆที่เกิดจากความคิดก็จะน้อยลงไปตามลำดับแล้วถ้ามีสติที่คอยสามารถควบคุมความคิดได้ ครบคุมไม่ให้ใจไม่ให้คิดถึงเรื่องต่างๆได้เวลานั่งสมาธิใจก็จะเข้าสู่สมาธิได้เข้าสู่ความสงบได้เข้าสู่ความสุขที่เหนือกว่าความสุขของขอ ง, ของการได้เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าความสุขที่เกิดจากความสงบนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนาถิสันติบาังสุ ข, ขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มี นี่คือเป้าหมายของการภาวนาขั้นต้นคือสมถะภาวนาเพื่อทำใจให้นิ่งให้สงบให้เข้าสมาธิให้ได้เพื่อที่จะได้สัมผัสกับความสุขที่เลิศที่ประเสริฐแล้วจะทำให้มีกำลังที่จะมาใช้ปัญญาสอนใจในลำดับต่อไปให้เลิกหาความสุขจากการเสพลูกเสียงกลิ่นลดอย่างถาวอนการการ การเจริญสติการเข้าสมาธินี้จะเป็นการหยุดความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสแบบชั่วคราวพอเวลาออกจากสมาธิมาพอได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสอีกความอยากก็จะเกิดขึ้นอีกถ้าต้องการที่จะกำจัดความอยากอย่างทาวรที่เป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจอยู่เรื่อย ก็ต้องสอนใจให้เห็นว่าสิ่งที่อยากคือลาบยศสารเสริญหรือรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้เป็นไม่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นทุกข์ เ, กเพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวเวลาได้มาก็อาจจะให้ความสุขกับเราแต่พอเวลาจากเราไปมันก็จะทําให้เราเศร้าทําให้เราเสียใจและเราก็ไม่สามารถควบคุมบังคับไปสั่งให้สิ่งต่างๆที่เราหามาได้นี้อยู่กับเราเป็นของเราไปได้ตลอด วันดีคืนดีเขาก็าา จ, จะจากเราไปได้ให้พิจารณาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานี้ความจริงแล้วมันเป็นเป็นทุกข์มากกว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้คือการเจริญวิปัสสนาเวลาที่ใจมีความอยากมีความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็ให้พิจารณาสิ่งที่อยากให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเมื่อเห็นว่าเป็นทุกข์แล้วความอยากที่จะได้มันก็จะหายไป ความทุกข you you ouais. ์ที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปแล้วก็จะหายไปอย่างถาวรแล้วต่อไปถ้าใช้วิธีนี้กําจัดความอยากต่างๆต่อไปความอยากต่างๆที่มีในใจก็จะหมดสิ้นไปความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะหมดสิ้นไปการเวียนว่ายตายเกิดที่เกิดจากความอยากก็จะหมดสิ้นไปใจก็จะไม่มีวันทุกข์อีกต่อไปนี่คือผลที่จะได้จากการปฏิบัติบูชา เป็นผลที่เลิอที่ประเสริฐกว่าผลที่จะได้รับจากอามิสบูชาอามิสบูชานี้ยังทําให้เราต้องติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพียงแต่ว่าเราอย่างน้อยได้เวียนว่ายตายเกิดในสุคติคือตายไปแล้วจะได้ไปสวรรค์แล้วพอกลับมาเกิดใหม่ก็มาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีฐานะที่ดีมีความสุขแต่ก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตาย แล้วก็ต้องเวียนไหา้ตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่สามารถที่จะออกจากกองทุกแห่งการเวียนไหา้ตายเกิดด้วยการกระทำอามิสบูชาได้ถ้าอยากจะออกจากกองทุกแห่งการเวียนไหวยตายก่อนตายเกิดก็ต้องมาปฏิบัติบูบชากันมาถือศีลแปดขึ้นไปศีลแปดก็ได้ศีลสิบก็ได้ศีลสองยีบเดก็ได้แล้วแต่เราที่จะต้องการจะปฏิบัติเข้มข้นมากน้อยเพียงไร ก็อยู่กับอยู่การปฏิบัติศีลนี่เองเป็นเบื้องต้นแล้วก็เอาเวลาทั้งหมดที่มีอยู่นี้มาให้กับการเจริญจิตตภาวนาสมถาภาวนาในเบื้องต้นพอได้สมถตาภาวนาแล้วก็ไปสู่ขั้นที่สองก็คือวิปัสสนาภาวนาพอได้ทั้งทำได้ทั้งสองขั้นแล้ววิมุติหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมา นิพพานก็จะเป็นผลที่จะได้รับจากการหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงนี่คือผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติบูชาการบูชา จ, จึงถือว่าเป็นมงคลทั้งสองขั้นขั้นนามิสบูชาและขั้นปฏิบัติบูชาก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่ปฏิบัติว่าจะมีกําลังมากน้อยเพียงไรที่จะสามารถปฏิบัติที่จะสามารถกระทําการบูชาในระดับไหน ในเบื้องต้นอาจจะทำทั้งสองอย่างก็ได้เช่นทำนมิสบูชาในวันธรรมดาวันปกติแล้ววันวันวันพระวันที่เรามีเวลาว่างจากภารกิจการงานเรามาเราก็มาทำปฏิบัติบูบชากันสลับกันไปก่อนจนกว่าเราจะมีเวลามากขึ้นไปมีกำลังมากขึ้นเราก็อาจจะเพิ่มการปฏิบัติบูบชาให้มีเพิ่มมากขึ้น จากที่ละ1 ว, วันเป็นสองวัน3ามวันขึ้นไปตามลําดับแล้วต่อไปเราก็อาจจะสามารถกระทําการปฏบิบัติบูชาได้อย่างเต็มรูปแบบก็ได้ น, นี่ก็คือเรื่องของความเป็นมงคลที่เกิดขึ้นในวันนี้เพราะว่ามีการกระทําที่เป็นมงคลก็คือการบูชาบูชาบุคคลที่สมควรกับการบูชา เป็นมงคลอย่างยิ่งบูชาจะปูชนียานางังเอตมังกัลมุมตัมังก็คือการบูชาด้วยอ ม, มิสบูชาและการบูชาด้วยปฏิบัติบูบชาการแสดงธรรมสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงพอดีพรเดี๋ยวนี้เราได้แบ่งเวลาให้เป็นสองส่วนด้วยกันสามสิบนาทีแรกเราก็จะมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดความรู้เกิดปัญญา เพื่อที่เราจะได้นำมาไปใช้ในการปฏิบัติต่อไปขั้นที่สองส่วนที่สองคืออีก30นาทีนี่ก็จะเป็นช่วงที่เราจะมาทำการปฏิบัติธรรมกันการปฏิบัติธรรมนี้ก็คือการมานั่งสมาธิาทาใจให้นิ่งให้ใจให้สงบให้หยุดความอยากหยุดความทุกข์ต่างๆไว้ชั่วคราวด้วยการเจริญสติคือการเลื่อนเลือกให้อยู่ให้เลืกรู้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐาน อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเ <c oughs> ช่นพุทธานุสติก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธหรือจะสวนบทอิติปิโสไปก่อนก็ได้ <c oughs> หรือว่าถ้ามีสติมีกำลังมากพอใจใจไม่ฟุ้งฟุ้งมากสามารถดูลมหายใจเข้าออกได้ก็ใช้ลมหายใจเป็นอารมณ์ผูกใจไว้เพื่อไม่ให้ใจลอยไปกับความคิดต่าง อย่างนี้เรียกว่าอาณาปณนสติมีสติอยู่กับการดูกับการดูลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกนี้ก็เป็นกรรมฐานหรือเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งที่สามารถจะผูกใจให้เข้าสู่สมาธิได้เวลานั่งสมาธิจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสติผูกใจไว้อยู่กับกรรมฐานถ้านั่งเฉยๆไม่มีการผูกใจปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยไปเรื่อย นั่งไปนานสัเท่ทาไหร่ก็จะไม่สามารถทําให้ใจสงบได้จะทำให้จะไม่สามารถทําให้ใจมีความสุขที่เกิดจากความสงบได้ถ้าอยากจะให้ใจสงบมีความสุขก็จําเป็นที่จะต้องมีสติคอยกํากับใจควบคุมใจให้อยู่กับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งส่วนใหญ่เราก็นิยมใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธกัน หรือบางท่านก็ถนัดที่จะใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกหรือที่หน้าท้องก็ได้หรือถ้ามีกรรมฐานอย่างอื่นที่เคยใช้มาแล้วได้ผลดีก็สามารถใช้กรรมฐานที่เคยใช้ก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องใช้กรรมฐานที่ได้มาที่ได้ที่ได้แสดงไว้ในตอนนี้เพราะกรรมฐานนี้มีอยู่ถึงสี่สิบชนิดด้วยกัน ถ้าเราชอบวิธีไหนกรรมฐานแบบไหนที่เราสามารถถูกใจให้อยู่แล้วให้นิ่งให้สงบให้เข้าสมาธิได้ก็ขอให้ใช้แบบนั้นไปก็ได้อันนี้เพียงแต่เป็นพูดเป็นตัวอย่างให้ฟังท่าว่าถ้าไม่รู้ว่าจะใช้อันไหนก็ลองใช้พุโทโธดูดูใช้การดูลมหายใจเข้าออกดูถ้าดูลมยังดูไม่ได้เพราะใจยังคิดมากพุโทโธก็พุโทโธไม่ได้เพราะยังคิดถึงคนนั้นคนนี้อยู่ ก็ให้ใช้บทสวดมนตน์ไปก่อนก็ได้สวดบทบทใดก็ได้บทสั้นบทยาวก็ได้ขอให้เป็นบทที่เราจำได้สวดไปหลายๆายรอบก็ได้สวดไปจนกว่าใจจะรู้สึกเย็นลงความคิดอะไรต่างๆน้อยน้อยลงไปแล้วสามารถที่จะมาใช้คาบริกรรมพุทโธก็กลับก็เปลี่ยนมาใช้คำบริกรรมพุทโธหรือถ้าสามารถมาดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกได้ ก็มาดูลมที่ปลายจมูกให้ดูเฉยๆไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมลมหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าลมหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่ายาวลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมหายไปก็รู้ว่าหายไปไม่ต้องตกใจลมลมไม่ได้ไม่ได้อยู่หายใจเพียงแต่ว่ามันละเอียดจนไม่สามารถจับมันได้ ก็ให้ลูกเฉยๆไปในที่เดิมในจุดเดิมที่ปลายจมูกแล้วเดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ต่อไปนี่คือวิธีการนั่งสมาธิต้องมีกรรมฐานต้องมีสติผูกใจไว้อยู่กับกรรมฐานและเวลานั่งถ้ามีอะไรปรากฏขึ้นมามีภาพมีเสียงมีอะไรเกิดขึ้นมาก็อย่าไปสนใจอย่าไปตามรู้ให้กลับมาอยู่ที่ลมหายใจถ้าเราใช้ลมหายใจให้กลับมาที่กรรมฐานที่เราใช้อยู่ ถ้าสวดมนต์ก็กลับมาที่สวดมนต์ถ้าพุโทโธก็กลับมาที่พุโทโธอย่าตามตามไปดูสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเป็นภาพบ้างเป็นเป็นเสียงบ้างเป็นอะไรบ้างก็ตามเพราะขางเหล่านี้มันจะทําให้ใจเราเผลอขาดสติเราจะทําให้ใจเราไม่สามารถเข้าสู่สมาธิได้นั่งไปแล้วก็จะไม่ได้รับความสงบไม่ได้รับความสุขนี่คือวิธีนั่งโดยสังเกตที่มา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 เราจาวิธีนี้ไว้แล้วคราวหน้าเวลานั่งเราก็มานั่งต่อได้เลยอย่านั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะว่าความอยากให้มันสงบจะไม่ทาให้ใจสงบแต่วิธีที่เรานั่งในวันนี้ที่ทำให้ใจสงบจะทำให้ใจสงบต่อไปได้และต่อไปนี้ก็จะขออนุมโมทนาให้พร <c oughs> ยะถ า, าวาริวะหาปูราปิริปุเรนติสขาขละ เอวเมววอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิชิตังปฏิตางตุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปุลัยตุสังกปาจันโทปนะราโสยธามณิชติราโสยธาสัพพิติโยวิวจันตุสัพพารโขวินัสตุ มาเตผวะตวันตาราโยสุขีทีขายุโกผวะอภิวะธนสิลิสานิจังอุทาปจายโนจตารธรรมวัฏานเตอายุวันุสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคําถามอะไรอยากจะถามขอเถิดถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่จะสะดวกต่อการถามตอบเพราะเวลาเลิกแล้วจะไม่สะดวกถ้าใครมาถามก็จะไม่ได้คําตอบถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้รับชม facebook พระอาจารย์สุชาติอภิชาโต290 youtube พระสุชาติไลฟ์สามอสิบสา Youtube d กเตอร์วีชานัลสาวิทยุออนไลน์สิบสี่คลับเฮผู้รับฟังธรรมะนากุติ221ท่านรวมทั้งหมด881ครับ The gentleman over there has a questionOkayGive him the microphone ครับผม I have a question if My brother died for some years ago, and he had a cancer. And I wonder how should I thinking if I get the message that I have some illness, I will not live long time. How should I thinking to get a good life the last one, two, three year? Make yourself happy by doing charity work, helping other people, whatever you can. Give things away that you don't need, and do some meditation. Okay. Okay. Okay. All right. That's all you need to do. It sounds easy, but I think it. I know it takes it takes a while to learn how to meditate. Yeah. But once you know how, then you can always be happy when you meditate. Okay. k a okay. p u uh, n up. Permission, a c h a n Uh, my son's got questions regarding to uh, these p e t a things or ghosts. Uh, he is wondering that whether uh, a monk or whether ever during meditation or during practice ever encounter a ghost. And second thing is that uh, is p e t a can disturb humans if there is no relationship in karma. So he is wondering uh, about this kind of things. Can please Ajahn? Well, first of all, there are two types of ghosts: <laughs> real one and fake one. Okay. Real one is we are all ghosts living with a body right now. When there's no body, we become ghosts, yes. and we go and look for a new body. This yes. what we call rebirth. And this type of ghost doesn't bother other people. e yes. We we go look for a new body. And the fake ghost is the one that u s e Create in your mind yourself. Oh. When you are alone and you see something moving, you say, "Oh, here, here comes a ghost." Yeah. Or when you hear something that you cannot explain, and you say, "Oh, it must be a ghost." Something. <laughs> These are fake ghosts. They're not real ghosts. They are just your imagination. Okay. So there's no need to fear ghosts. Real, real ghosts they don't bother you. It's only the fake ghosts that you should get rid of. When you feel that you are being b e surrounded by ghosts. The best way is to do chanting, chanting, or do meditation, reciting bhuto bhuto bhuto. Then, when your mind becomes calm, then all these ghosts will disappear. Okay. Okay. Thank you. All right. uh, another question is, is that there is a lot of uh, point that. Doing meditations, a lot of people mentioning about jhana things. Uh, is jhana real? First questions. Second questions is, if it is real, then how do we practice in order to that way? So yes. Yes, jhana is real, and it's the result of your concentration, your mental concentration. You have to concentrate on your, bre your breath when you meditate. Don't think about other things. Just keep watching your breath, and then eventually it can lead you to jhana. Is that essential things uh, in order to to achieve like uh, the right path, uh, like Buddha enlightenment? It is like, okay, we just focus on this breath things, and then we can slowly, gradually go yes. to the sotapanna or nibbana way. Yes, eventually. But you also have to develop more wisdom. You have to see. You have to see the four noble truths. You have to see dukkha. You have to see the cause of dukkha. You have to see the cessation of dukkha. And you have to see the path leading to the cessation of dukkha. Once you see the four noble truths, then you can become a sotapanna. Uh, uh, a noble disciple. Right now you don't see it because you you going outside of your your mind. You got to see things outside of the mind. When the four noble truths are inside your mind, so you have to bring yourself back inside the mind by meditation, by going into jhana. Once you are in jhana, then you'll see the four noble truths in your mind. Then you can then stop the dukkha created by your, by your cravings, your desires. o k a y yes. Ha, huh? oh. My sister has a question. That uh, is there any way that we can, uh, the fastest way to achieve sotapanna? Yes, become a, become a monk. Become a monk. Uh, uh, how to a t t e n d sotapanna? Give up your body. Huh? Sorry. You must not be attached to your body. Oh, don't be attached to our body. Yeah, your body is not you. Okay. You are the mind. You are the user of the body. The body is just your servant. You are the master. The mind is the master. But the mind has to give up the body because the body is impermanent. Oh. One day it will have to get old, get sick, and die. If you cling to the body, if you don't want it to get old, get sick, or die, you get suffering. If you let go, then you have no suffering. Then you become a sota panna. You will not be afraid of death. You will not be afraid of sickness. Okay. Then you can become a sota panna. Okay. Yes. Thank you. จะมีใครอยากจะถามไห ม, มจะส่งไมโครโฟนมาให้มันไมน่มีผู้บริการ <c oughs> มไม่มีครับมีหนึ่งคำถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏิครับทําอย่างไรให้ใจสงบไม่หงุดหงิดไม่โมโหง่ายเวลาที่มีเรื่องต่างๆเข้ามากระทบครับเวลาใจงหงุดหงิดง่ายท่องพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆ อ, อย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราหงุดหงิด พอเราไม่คิดถึงเรื่องที่ทำให้เราหงุดหงิดอาการหงุดหงิดก็จะหายไปงนั้นเวลาไม่สบายใจเวลาหงุดหงิดก็ท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปภายในใจเดี๋ยวก็จะลืมเรื่องราวต่างๆอยู่กับพุโทโธแล้วใจก็จะเย็นใจก็จะสงบใจก็จะสบายข้ออากาศเจ้าค่ะพระอาจารย์คือสองเดือนเรื่องแรกก็คือวันนี้ที่ท่านเทศเรื่องสินแปดนะคะ อืมหลวงปู่บุตรดาบอกว่าศินห้าจริงๆในคาถว่า น, น่าจะพอแต่ในสองเดือนที่ผ่านมายมลองมาละก็คือไม่มีเวลาจริงๆก็คือถ้ายังตามอย่างาเานี้ค่ะก็เดี๋ยวก็คือสรุปก็คือไม่มีเวลาก็คือคงต้องเป็นศินแปดแล้วเพราะว่าเวลาของวันหนึ่งยีิบสี่ชั่วโมงถ้าจะเอาทุกอย่างเนี่ยก็คือเป็นไปไม่ได้เลยอันที่สองก็คือ ไม่ได้มาที่นี่ประมาณ2เดือนโยมก็ลองนะคะลอโยมคือตอนนี้โยมก็49ปีที่ผ่านมาเนี่ยโยมก็สรตตะมาแล้วนะคะดูดูจากนิสัยตัวเองเนี่ยคือถ้าชีวิตมันเรียบง่ายซึ่งตอนนี้ชีวิตโยมก็เรียบง่ายมากเพราะว่าโยมไม่เอาอะไรที่มันวุ่นวายเลยเช่นครอบครัวหรืออะไรโยมไม่สนอะไรเลยะคะ่ะแต่ปรากฏว่าโยมเบื่อแล้วก็หลับอะคะ่ะ โยมมาสังเกตเวลาบางวันเนี่ยที่โยมเกลียดใครหรือว่าโกรธใครขึ้นมาปรากฏว่าสติมันมันตีขึ้นมาเลยค่ะมันเหมือนว่าวันนั้นน่มันมีงานนะคะแล้วสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยโยมก็เลยคิดตัวเองนะคะคือเดือนที่แล้วเนี่ยโยมเอารูปของร่างกายทั้องอย่างเลยลำไส้ลำไส้ไปติดตรงให้มันเห็นทุกวันเลยประมาณสองเดือนแลวอาทิตย์ที่ผ่านมาเหมือนแบบมันชินแล้วค่ะแล้ว เมื่อประมาณ3าวันที่แล้วค่ะโยมกลับมาดูภาพอสุภะกรรมฐานแล้วภาพหนึ่งที่น่าวันนี้สาวันมันยังติดอยู่ที่ตาก็คือกระเพาะอาหารที่มีอาหารใหม่อยู่โยมอยากจะสอบถามว่าอันนี้โยมจะลองอีกสักสองเดือนนะคะว่าจะให้โยมทุกเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยแล้วหางานที่อารมณ์ของโยมยังไม่เบื่อเนี่ยทุกวันเลยหรือเปล่าคะตอนนี้คือคิดว่าร่างกายนี่แหละดีที่สุด คือวันนี้เอากระเพาะอาหารอีกวันเอาลำไส้อีกวันเอาทุกอย่างที่มีลูกที่ติดอยู่อย่างเงี้ยค่ะพอโยมสังเกตตัวเองว่าโยมเบื่อมากคือแบบเหมือนแบบถ้าไม่หางานให้มันแล้วมันมันจะไม่ทำอะคะ่ะก็เลยมาอยากจะขอคําแนะนําของพระอาจารย์นะคะก็อะไรก็ทําให้ใจเราสบายก็ใช่อย่างนั้นไปถ้าใช้แบบนี้มันแล้วทําให้ใจเราสงบใจเราเย็นสบายก็ใช้แบบนี้ไปได้โดยมองว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงที่ใจสบายเหรอคะ ก็ดูวิธีที่ทำให้ใจเราสบายนวิธีไหนที่ทำให้ใจเราสบายสงบเย็นไม่วุ่นวายไม่เบื่อเราก็ใช้วิธีนั้นไปสลับกันไปเปลี่ยนไปถ้าวิธีนี้เบื่อก็เปลี่ยนอีกวิธีหนึ่งไปอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมค ะ, ะให้ดูว่าอันไหนคือโยมกลัวว่ามันจะเป็นกิเลสอะค่ะโอ่าไปกลัวเลยถ้าอยู่ดูร่างกายมันไม่เป็นกิเลสหรอกถ้าถ้าเบื่อ ดูอาการสาสองก็เปลี่ยนมาดูลมหายใจเข้าออกมาเปลี่ยนดูเรียบที่เดินยืนนั่งนอนสลับกันไปเปลี่ยนกันไปวันหนึ่งนี่เปลี่ยนได้หลายอย่างเลยหรือเปล่าคะก็สังเกตดูอารมณ์ว่ามันอารมณ์ไหนที่ทำให้ใจวุ่นวายก็อย่าไปดูมันดูอารมณ์ที่มันทำให้ใจเย็นใจสงบโอเคเจ้าค่ะคําถามจากผู้ฝากถามครับ การเดินจงกรมมีหลักการอะไรที่นํามาใช้ในการนั่งทําสมาธิครับอันเดียวกันก็คือสติต้องมีสติทั้งเดินทั้งนั่งไม่ว่าจะทําอะไรก็ต้องมีสติทย่เรียกว่าเป็นการภาวนานั่งก็มีสติอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับพุโทโธเดินก็มีสติอยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับการย่งางก้าวเท้าก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไป อันนี้ก็จะถือว่าเป็นการเดินแบบมีสติเดินแบบมีสมาธิคำถามต่อไปจากคุณปานิตาเสียชีวิตครบ100วันดวงจิตของเราไปไหนครับถ้าดวงจิตยังอยู่อีกมิติหนึ่งจะรับบุญได้ไหมครับก็แล้วแต่ว่ามันอยู่ในมิติไหนผู้ที่จะรับบุญได้มีต้องอยู่ในมิติของเปรตเท่านั้นเองนอกนั้นเขาไม่มารับส่วนบุญ คำถามต่อไปจากคุณปัทวีเวลาที่นั่งสมาธิสับ ป, ประงกบ่อยครั้งจะแก้อย่างไรครับต้องอดข้าวอยา ก, กินข้าวมากให้มันหิวถ้าหิวก็วจะไม่ง่วงถ้ากินอิมอ่ ม, ม, มลมานั่งมันจะสับ ป, ประงกระั้นคนที่จะปฏิบัติธรรมต้องย้อนอดหน่อยต้องต้องย้อนอดข้าวแล้วมันจะไม่ง่วงคำถามต่อไปจากคุณอา เมื่อสักครู่นั่งสมาธิแล้วกายหายไปไม่รู้สึกอะไรเหลือแต่จิตดวงเดียวล้วนๆมีแต่ความสว่างเห็นพระอาจารย์นั่งอยู่ถ้ำกลางความสว่างนั้นควรกำหนดอะไรต่อไปครับก็ให้รู้เฉยๆไปอย่าไปคิดอะไรอย่าไปคิดถึงภาพที่เห็นภาพปรากฏก็รู้ว่าเป็นภาพเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นไปคาถามต่อไปจากคุณนาวิน นั่งสมาธิพอจิตสงบลงพบความว่างโลง่งแต่บางครั้งมีความคิดเกิดขึ้นมาก็ปล่อยดับไปเองสัญญาเป็นอนัตตาใช่ไหมครับทุกอย่างเป็นอนัตตาหมดสัญญาสังขารความคิดปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะที่เป็นนั่งสมาธิก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคําถามต่อไปจากคุณคนล้มอย่าข้ามไปปฏิบัติธรรมเดินจงกรม ฝึกพุโทโธอยู่กับลมหายใจก็เห็นความต้องการของใจตัวเองว่าอยากหยุดปฏิบัติและออกไปดูโทรทัศน์ฟังเพลงเห็นความต้องการชัดเจนมากครับและก็ดูความต้องการของใจไปเรื่อยๆจนเห็นว่าสิ่งที่ต้องการนั้นไม่ใช่ความต้องการเลยแต่เป็นความต้องการของกิเลสนี้เองขอกาเรียนพระอาจารย์ว่าสิ่งที่กล่าวถามไปนี้เป็นสิ่งที่คิดไปเองหรือว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติ นั้นถูกต้องแล้วครับก็ต้องเห็นว่าความอยากที่เรามีอยู่นี้มันจะนำเราไปสู่ความทุกข์เพราะสิ่งที่เราอยากมันเป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่เที่ยงได้มาแล้วก็อาจจะสูญเสียไปก็สูญเสียไปก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจตามมาต้องสอนใจให้หยุดความอยากอย่าทาตามความอยาก แบบนมัสการพระอาจารย์ค่ะอย่างวันนี้ก็ไม่ได้กินข้าวกลางวันค่ะก็สับประงกอยู่ดีค่ะก็อย่าต้องกินทั้งวันอย่าไปกินมันเลยอดข้าวก็สองสามวันดูข้ามือเดียวยังยังสับประง ก, กเอาสองมือสองมือยังสับประง ก, กเอาสามมือเอาไปจน ก, กว่ามันไม่ไม่สับประงกหรือวิธีหนึ่งก็ไปนั่งในป่าช้าก็ได้ไไดถ้านั่งในป่าช้าก็จะไม่สับประงกนะะ เพีง อ, อ, อดมือเดียวยังไม่พอหรอ ก, รก อ, รอย่างน้อยต้องอดตั้งยีย่สี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยใช่ ต, ติดชาติติดทำสมาธิแล้วก็ติดความสุขนะครับท่านแล้วอไม่ค่อยอยากทํางานทางโลกครับแก้ไขยังไงครับผมไม่ต้องแก้ไขก็ไปบวชสิถ้าติดชานก็ไปบวชจะได้เข้าชาตอยู่บ่อยๆชาติมันดีกาเงินทองที่ได้จากการทํางาน ติดของดีไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องกลัวติดชายนี้ไม่เสียหายแต่ติดผู้หญิงติดเที่ยวนี่เสียหายมากกว่าโอเคม่ใช่นะจัน just now you said that uh, there's a jhana is real uh, then what is the characteristic of jhana for example that during meditation how can we know that we are on the track to achieve that okay. you might you m i will become peaceful And no thought, no thinking, oh. and if you lie, you are in heaven. <laughs> so you know when you get to jhana, you know. o oh, k a y okay. And then uh, the other q u e s t i o n is about the uh, meditation of samatha and vipassana things. So in vipassana things, is that also can achieve jhana, or only in samatha that we can achieve jhana? Usually, you need samatha to get to jhana. You need you need mindfulness, concentration. When you use vipassana, you use thinking, and thinking will not usually stop the mind from thinking, unless there's a special situation in which you face, come face to face with death, and you use your vipassana to teach your mind to let go of your attachment to your body. Once you can let go of your attachment, then the mind can enter into jhana. But you have to have the the the crisis situation facing you to be able to use vipassana to get it into jhana. On normal circumstances like this, you cannot think of death and then tell you about tell your mind to let go of your attachment because there is no crisis. Uh, so what is the five circumstances? This is one of t Not not. I didn't say five circumstances. Uh -huh. I say. You have to have special circumstances. s p e c i a l okay. Sorry. Like okay, when you have you been analyzed with cancer, terminal cancer, and the doctor says there's no more treatment that can be done. Then you feel very suffer. You feel very, very bad. Then you use vipassana to test your mind to let go of your body, because your body is impermanent. It is subject to aging, sickness, and death. Yes. Once the mind can accept this, then the mind can let go. Once, once it let go of the body, then it can enter into jhana. Okay, can you do that? By practice, maybe step by step. I think. <laughs> yeah, better step by step right now. Yes. Use bhuto, bhuto, bhuto to get into jhana. Once you have jhana, you have the the strength to let go of your attachment. So like the practice of bhuto is, for example, like we are inhale, we say bhut, and then exhale, we say do something. Or how how do we practice? I practice bhuto. You can use bhuto without the breath, or you can use the breath without the bhuto, t or you can do both together. It's up uh, to you. Can you explain a bit like? Okay, you can just just s e the word bhuto without you without watching the breath. Bhuto bhuto bhuto bhuto. Or you can use the breath without using bhuto by watching the breath only. Or you can do, uh, or you can do do both. You can watch the breath and say putto at the same time. When you breathe in, you say but. When you breathe out, you say to. Butto b h t t o butto. There are three methods, three different ways of doing it. And it will steadily, uh, steadily, gradually, slowly to. Yeah, it will stop right your mind way. from thinking. Okay. Once your mind becomes still, then you enter into jhana. Okay, okay thank you, Asan.